วิธีลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุอริฏฐะผู้มีบรรพรุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงครั้นแล้วให้ภิกษุอริฏฐะให้การแล้วจึงปรับอาบัต ครั้นปรับอาบัตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจะตุทธกรรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอริทฐะผู้มีบรรพุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงมีทิฏฐิบาปเกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว จนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมภิกษุอริทธะนั้นไม่ยอมสละทิฏฐินั้นถ้าสงพร้อมแล้วพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอริทธะห้ามสมพอ ก, กับสง์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 ก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมภิกษุอริทฐะนั้นไม่ยอมสละทิฏฐินั้นสงลงอุขเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอริทถผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งห้ามสมโภคกับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุขเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบา แกภิกษุอริธาผู้มีบรรพรุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งห้ามสมพอ ก, กับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอริธา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 ไม่ยอมสละทิฏฐินั้นสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุอริธฐผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงห้ามสมโพกกับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษ in ุอริธฐผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงห้ามสมโภคกับสง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 ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลัดทิฏฐิบาปสงลงแล้วแก่ภิกษุอริฏถะผู้มีบันพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งห้ามสมโภคกับสงสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบอกภิกษุในอาวาสต่อๆไปว่าภิกษุอริธฐผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปห้ามสมโภค ก, กับสง